ขอความเจริญในธรรมจ้งมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปโตรยานในวันนี้ก็คงประรบถึงการตรึกนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นไทรเชื้อจปานิโครตต่อไปธรรมะที่ทรงนำมาพิจารณาเพื่อจะนำไปสั่งสอนแก่ชาวโลกนั้น ทุกยกเอาปฏิจจสมุปาที่ได้เคยเสนอมาแล้วนั่นเองหัวข้อที่ว่าวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดปัญญามนญษย์เป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดสลายจตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดปัจฉะปัจฉะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะมีชาติก็มีชรามมนโะโศกไปเทวทุกขโทมนาตุปลายาติติดตามมาเป็นแถวมันเป็นการแสดงถึงสังสารจักคือกิเลสกรรมวิบากแล้วการดับสังสารจักคือดับกิเลสดับกรรมแล้วก็ดับวิบากแต่ตัวการใหญ่มันก็กิเลสนะกิเลสเป็นหัวหน้าสําคัญ ในปฏิจจสมบาติจึงมีทั้งสายเกิดและสายดับสายเกิดก็คือกลุ่มของทุกข์กับกลุ่มของสมุทยัยสายดับก็คือกลุ่มของมรรคกับกลุ่มของนิโรธแต่ว่าอาการที่แสดงให้เห็นเนี่ยเป็นอาการของนิโรธซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำไห้สมบูรณ์ในอริยมรรคเพียงแต่ว่าในในบทปฏิจจสมบาทไม่ได้พูดนะไม่ได้แสดงไว้ท่านนั้นเอง หือพูดจะพบผลไม่ได้เลยสาวยถึงเหตุเพราะว่าพูกต้องการดับเนะี่ยก็ทำไมจึงดับได้ล่ะมันก็จะสาวยถึงเหตุที่จะทำให้เกิดการดับขึ้นมาเกิดประยานผุดขึ้นภายในประทยของพระองก็ทำลายอวิชาอวิชาดับมันก็ดับไปเป็นแถวไปเนี่ธรรมะเหล่านี้มันสงบอย่างที่บอกไว แล้วก็ประนีตนะเราสักข้อเดียวเนี่ยสมมติว่าเราจะเอาอะไรละ่ะข้อคำว่าบุญบาปเนี่ยสังขารเนี่ยนะฮะมาศึกษามาพิจารณามาแยกแยกออกไปก็จะเห็นต้้งความหลากหลายวิจิตพิสดารมากมาแล้วเรื่องเหล่านี้ที่จริงท่านก็สรุปแสดงไว้นานมาแล้วาตมาเคยบรรยายเรื่องประพุทธคุณเนี่ย ออกที่สถานีวิทยุยานเกราะตอนนั้นก็รู้สึกเจ็ดเก้าสองคือเราพูดถังคำคำเดียวนะคำว่าการุณามานโวเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยความกรุณาดุจทั่วห ม, มันนกดุจทะเลหลวงแล้วก็ไปศึกษาไปขยายความเอาจากมากรุณาสมาปัฏิยานของพระพุทธเจ้าบรรยายกันต้องนานหลายเดือน ประมาณสิบเอ็ดเดือนแถวคราวหนึ่งสิบห้านาทีนะคราวหนึ่งสิบห้านาทีก็ว่าไปผลทาก็ต้องเลิกนะฮะคือพูดไม่จบเพราะว่ามันไปโยงใหญ่กันเป็นแถวเลยเพราะฉนั้นธรรมะเหล่านี้ถ้าเรานํามาเอาขนาดคิดอย่างเดียวเนี่ยคิดปีนี้ปีห น, น้า<ๆ>ก็จะเห็นในยะที่วิจิตพิสดารลึกซึง้งแล้วก็เชื่อมโยงกันไปเป็นแถวสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดและอีกอย่ด้านหนึ่งมัจะดับดับดั บ, ดบตามไปเป็นแถวเหมือนกัน เราดูแล้วคล้ายๆกับเรารู้จุดเฉียนขึ้นมาเนี่ยจุดหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงนะฮะแสงสว่างเกิดความมืดดับแสงหว่างเกิดความมืดดับแสงสว่างเกิดความมืดดับก็กระจายกินพื้นที่ไปเรื่อยๆตามปริมาณของแสงสว่างที่บังเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะความมืดก็จะดับไปเท่านั้นเพราะธรรมะเนี่ยจึงมีลักษณะที่สงบ แล้วก็ประนีตลระเยดสันตโตสงบปณิโตประนีตแล้วก็ปัิตเวดนิโยเป็นวิสัยของบัณฑิตเท่านั้นเองที่จะยังรู้ที่จะเข้าถึงได้ เ, เราไม่ต้องเอาไว้ลึกขนาดนั้น น, นะเอาธรรมดาธรรมดาในบ้านเมืองของเราเนี่ย ยกตัวอย่างว่าอบายยมุกเนี่ยกับการละเมิดสินห้าเนี่ยเอาสองข้อเนี่ยพวกกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะมีกลุ่มผลประโยชน์มหาศาลอยู่กับเรื่องแบบนี้ในความเป็นอบายยมุกแน่นอนเป็นแรงงานเป็นรายได้แล้วก็เป็นธุรกิจเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็นำไปสู่ปัญหาอากรรมต่างๆายเยอะ ถ้าเราเข้าถึงจริงๆถามว่าสังคมไม่มียาบายามุกเลยนะี่อยู่ได้ไหมไมันก็อยู่ได้แต่ว่าต้องพัฒนาจิตมนุษย์ขึ้นไปหน่อยเพราะในความเป็นอาบายามุกเนี่ยแสดงถึงความหยาบกร้านออกไปเรื่อยๆเลยแต่มีความรุนแรงออกไปโดยลําดับเราพูดกันตั้งแต่ไหนแต่ไร แม้แต่อัตกนาดทั้งสามอย่างเนี่ยคือความไม่ค่อยขยันในการทําการงานก็คือขี้เกียจในการทําการงานเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยยอมรับกันในประเด็นตรงนี้คือถ้าเราไปในท้องถิ่นในชนบทอาตมาเกิดเติบโตในชนบทแล้วก็ประยู่บอยนะไปต่างจังหวัดในส่วนต่างๆเนี่ย คือเราเห็นว่าเวลาเป็นนั้นมากที่ใช้ไปไม่ได้ประโยชน์อะไรคนอยู่กับการตั้งวงคุยกันสนุกสนานการรื่นเริงบันเทิงเวลาก็แก่ไปทุกวันการงานก็ไม่เกิดเป็นมรรคเป็นผลอะไรขึ้นมาก็อยู่กันในลักษณะเนี้ยเป็นส่วนมากแล้วก็ปัญหาเรื่องอาบายยมุเอยไม่ใช่ปัญหาเรื่องการพั น, นันนะไม่ไดเอาทั้งหมดเอาขนาดแค่สามอย่างไ้ เห็นไหมพูกกันไม่เข้าใจนะการปรนันนั้นแสดงให้เห็นนึว่าเกมโชว์ที่ออกทางโทรทัศน์ที่มีรางวัลมีไรายได้เนะี่ยแล้วว็ฮิตติดตันดับเป็นสิบสิบปีอยู่ได้ตลอดตอนนี้มีเกมตั้งหลายเกมนะออกมาในรูปรางวัลเนี่ยรางวัลมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ล่อด้วยเงินใหญ่อะไระเงินล้านเป็นปีปีนะฮะมันก็เรียกอะไรไม่แตกก็ คนก็ไปหวังแบบเล่นหวยมนแบบเล่นสลากกินแบง่งการพนันต่างๆเปน็นอันมากเนี่ยมันมอมๆให้เกิดความโลภแบบง่องๆไม่ได้คิดโดยเหตุดโดยผลอะไรอย่างเล่นหวยสามตัวเนี่ยนะหวยสามตัวก็แสดงว่าเลขมันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลขถูกเลขเดียวเองอ่ะผิดตั้งเก้าร้อยเก้าสิบแปด คนก็ยังเลนกเงินได้ทั่วบ้านทั่วเมืองไปในท้องถิ่นบางแห่งยิ่งแล้วใหญ่เลยก็หามาถึงหลวงพ่อขอเลขเด็ดหน่อยคือมองใกลย้กลยๆ ก, ยกับพระเป็นนักบอกป่วยไปได้คือบางทีมันคลั่งไปเลยแม้แต่ลูกเจ็บไข้ไม่สบายลูกชักแข่งๆจะตายไม่ตายแหลนี่ขอดูก่อนมันจะออกเป็นเลขอะไร ไปอาขนาดนั้นอะไปดั่งขู่ต้นไม้ไปดั่งลูปต้นไม้ไปไหว้กอกล้วยไปไหว้แมวขาพิการอะไรแต่ไรเนี่ยอยากให้ถูกควยกันแล้วก็สิ่งเสพติดเวลาเนี้ยเราแก้ปัญหาเรื่องยาบ้ายอย่างเดียวเนี่ยแก้ให้ได้ก็บุญแล้วแต่เราแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งคุณภาพของประชากรก็หมดแหละ นั่นก็ถื่อนหมดแล้วพวกนี้บางทีเนี่ยเขาก็สร้างปาัญหาแทนที่จะสร้างปาัญหาแก่ตัวเขาอย่างเดียวก็สร้างปาัญหาแก่สังคมเดี่ยเขาเป็นสมาชิกอยู่ก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาจับคนไปค่มขู่คุกคามารถตี ก, กันเป็นแถวเดือดร้อนก็นเป็นตับไปเลยผู้ันไม่รู้เรื่องนังแสดงให้เห็นว่าเรื่องไม่ได้ประนีตอะไรไม่ได้ลึกซึ้งอะไร เข้าใจกันได้ดูกันได้แม้แต่เด็กๆก็เข้าใจให้เด็กอธิบายโทษของการมานันโทษของบุรี่เนี่ยเด็กเนี่ยอธิบายได้เด็กสามสี่ขวบเนี่อธิบายได้เลยแต่ผู้ใหญ่ผูกไม่ผูกเรื่องเห็นไหมว่าแม้แต่เรื่องไม่ค่อยจะประณนี่เท่าไหร่เรื่องหยาบหยาบง่ายๆต่อการทําความเข้าใจแต่คนเราก็ไม่ยอมเข้าใจกันเราสิ้นเปลืองเราสูญเสียอะไรไปมากมายเพราะ คนไม่ให้ความสําคัญไม่เห็นโทษของอบายมุกไม่เห็นโทษของผิดศีลทั้งหลายซึ่งมันกลายเป็นปัญหาแต่กรรมแต่บัณฑิตเนี่ยเขาก็ทําได้เห็นไหมว่าเคยคุยกับคนนักธุรกิจที่เขาประสบความสําเร็จมีฐานะร่ารวยเนี่ยเคยถามเขาว่าเคยซื้อสลากกินแบ่งไหมเคยเล่นหวยไหมเนี่ยเขาบอกไม่รู้เล่นยังไงเขาไม่เคยรู้เรื่อง แต่เขาก็รวยได้แล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่ามีไหมคนที่รวยจากสลากกินแบ่งรวยจากเล่นหวยนี่มีบป่ันถูกจริงแหละแต่มีอันเป็นไปเพราะอะไรเพราะว่าบริหารจัดการกระรัพย์ไม like ่เป็นอย่างก่อนที่เขามาออกไปโทรทัศน์ได้ดูถูกสลากกินแบ่งตัางมันกี่ล้านน่ะกี่เดือนน่ะหกเดือนนะหมดหกเดือนนั่นเองก็หมดแล้ว วันนี้คือคือปัญหาใหญ่ว่าคนเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีเหตุผลจึงจะเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นโทษของอกุศลได้อย่างที่บอกว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยที่จริงถ้าเราดูให้ดีแล้วเนะี่ยคือหลักของอริยสัจสนั่นแหละมันก็คือสถานะของสิ่งเหล่านั้นสถานภาพของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็โทษจากสิ่งนั้น คุณกองคล้องสิ่งนั้นๆแล้วก็อุบายวิธีที่จะสลับตนออกไปจากส่วนที่เป็นโทษมาสัมผัสส่วนที่เป็นคุณเนี่ยพระเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็รู้เห็นนะฮะเรารู้ปัญหาบ้านเมืองเราอย่างนี้เรารู้ปัญหาอะไรรู้รู้แสนรู้เลยทําไปแต่เราก็เคยไม่เคยแก้ไขได้ปัญหาเป็นอันมากเขียนปัญหา ชอบเล่นการพนันของคนไทยเนี่ยเราไปอ่านบันทึกของบาทหลวงสมัยโน้นส ม, สมัยสมเด็จพระนารายณ์ก่อนสมเด็จพระนารายณ์ก็เป็นนิสัยคนไทยเองคือชอบเล่นการพนันเล่นกันได้ทุกเรื่องแล้วก็พรานผ่านเวลาไปแต่ว่าทุกยุคทุกสมัยเราก็มีคนระดับบัณฑิต ที่ท่านมองเห็นโทษกับเรื่องเหล่านั้นแล้วไม่ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นดอกบัวที่อยู่ในโคนตรมโดยไม่เปื้อนโคนตรมท่านอาจจะอยู่ในแหล่งที่มั่วสุมของใบยมุกสารพัดเนี่ยแต่ท่านก็อยู่ทั้งท่านได้มันก็คนที่เป็นบัณฑิตนี่จะเข้าถึงได้ในระดับที่ลดหลั่นกันลงไปนะฮะก็แล้วแต่ แต่ถ้าระดับสูงสุดก็หยิดแหละก็คือมีคนจำนวนไม่มากที่จะเข้าถึงได้พระพุเจ้าก็มองเห็นว่าบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้แจ้งทีนี้ก็มาดูว่าถ้าพระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยซึ่งมีลักษณะดังกล่าวเนี่ย ซึ่งเป็นธรรมะที่สุขขุมลุ่มลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากและเป็นธรรมที่สงบประนีตละเอียดไม่สามารถจะาคาดคะเนีอยได้เกิดเป็นธรรมที่นับประหลาดถึงบัณฑิตถึงสัตบุรุษเท่านั้นเองจะรู้ตามได้ยากและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเอาธรรมะมาตั้งเนี่ยเอาคนมาเทียบ ก็จะเห็นว่าคนในมากด้วยความสิเนือหาอะไรเยื่อใยในการมคุณทั้งหลายมีการไขว้คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นดิ้นรนกันด้วยประการต่างๆแล้วไม่มีกรอบว่าเมื่อไรจะพอเมื่อไรจะหยุดเมื่อไรจะอิ่มก็ดิ้นรนกันไปเรื่อยๆสัตว์เนี่ยมมองมมกมุ่นอู่ด้วยอะไรคือการมคุณมีการสยบติด มีการสยบติดอยู่กับกามคุณแล้วก็วนเวียนดื้อแย่งต่อสู้ประหารประหารกันจนออกมาเป็นรูปบรรสัญชาติยานสัตว์กะลองสังเกตที่ท่านพูดไว้เป็นคากรว่าแย่างาหารกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิสวัสดแย่งอํานาจกันเป็นแน่ทั้งหมดเป็นกามคุณทั้งนั้นเลยอาหารก็เป็นกามคุณคู่ครองก็เป็นกามคุณ ที่อยู่ก็เป็นกรรมมักคุณแล้วก็อำนาจก็เป็นกรรมกัมขุณชั้นโลกมันก็อยู่ด้กรรมยื้อแย่งกรรมประหาดปรานกันเพราะการรมล้มถ่ายตาจากกันก็เพราะการรมคือสิ่งที่เราใคร่เราปรารถนาเราพอใจศึกสงครามทุกยุคทุกสมัยมันก็แย่งเรื่องเหล่านี้กันวันก่อนได้ดูชีวิตของสิงโตนะนะ มันไปเกิดน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าสิงโตเนี่ยมันจะมีแย่งเรื่องอาหารกันที่ไม่ดูตามาตาเรือนะฮะไม่ดูตามาตาเรือนี่คือแย่งอาหารกันเวลามีอาหารมาแล้วไม่ได้ดูลูกแม่พ่ออะไรแต่อะไรเลยแย่งกันดูตลอดเลยนะแต่ทีนี้พอกินอิ่มแล้วเนี่ยก็จะไปเลียเลือดเลียแผลให้เลียเนื้อเลียตัวให้กันแล้กันเงียบไปเลยสงบสงบสุดทีนี้ ต่อมาก็เคยพบว่ามันแย่งอำนาจกันแย่งจินครอบครองตัวเมียกันแล้วเก็สู้กันสองตัวตัวใดแพ้ก็ต้องหนีส่วนมากก็แย่งแย่งแย่งจากฝูงกันนะครับแต่ถ้าเรามาดูว่ามนุษย์ล่ะมนุษย์ไม่แย่งอย่างเดียวอะแย่งกันหมดเลยแย่งอาหารกันแย่งที่อยู่กันแย่งคู่ครองกันแย่งอำนาจกัน พัฒนาไปเถอะให้เจริญยังไงก็ตามแล้วมันก็อดจะยื้อแย้งไม่ได้ดจะต่อสู้อดจะประหารประหารกันไม่ได้เพราะเมื่อสภาพจิตของคนเป็นอย่างเนี้แล้วจะสอนให้รู้โดยละเอียดพิสดารนะก็เรียกว่าค่อนข้างจะวิจิตพิสดารจนถึงก็รู้แจ้งในเรียสัตว์เนี่ย มะก็เป็นการทำได้ยากจะทำให้ทรงทรงเห็นว่าถ้าเราจะแสดงธรรมสัตว์เราอื่นก็จะไม่พึงรู้ถึงธรรมของเราทีนี้เมื่อสอนแล้วไม่ได้ประโยชน์มะก็เหนื่อยปเปล่าๆไม่ได้กุ้มค่าเลยดังนั้นเมื่อทรงพิจารณาอยู่อย่างนี้<ม>ก็มีมีประเด็นที่นาที่น้าศึกษานะฮะ ท่านบอกว่าทรงขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมซึ่งพระองค์สสรู้มาด้วยความยากลำบากคือข้อนี้ถ้าเรามองแล้วมันเป็นการทำลายบุญลักษณะของพระโพธิสัตว์จนมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยวิาณที่เคยเล่ามาในตอนต้นๆ น, นะว่าพระองค์มาเป็น เป็นมโนปณิธานของพระองค์ที่ทรงตั้งไวนะ้ผ่านพบชาติต่างๆเป็นนเรกันนั้นแล้วก็ไม่เคยทายถอนความรู้สึกเหล่านั้นออกจากประทไทยเริ่มความคิดที่ว่าเราจัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นสัสรู้ด้วยนี่คือคือมโนปณิธานที่เป็นรูปของสัตยาธิฐานซึ่งทรงตั้งไว้นานนานมากนะนานมากเลย ก่อนที่จะเปล่งพระวาจาก่อนที่จะมาพบกับพระทีปังกรพุทธเจ้านะฮะผ่านพบชาติมาเยอะเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยนั่นก็คือมโนปนิทานเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยแล้วก็วขนวายสร้างสมอบรมบา ร, รมีมาตามลำดับจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ย มีมนโนปณิธานว่าเราสัตว์ู้แล้วจะให้ผู้อื่นสัตว์รู้ด้วยเราพ้นจากกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยหมาสมุดคือวัตถะสงสารนี่มีภัยมากจากบัตรนั้นเน่ยเวลาทําบุญทำกุศลอะไรก็ตามก็จะทรงอธิษฐานอธิษฐานทุกครั้งที่ทําบุญนะฮะสร้าง บ, รบารมีให้ทานรักษาศีลอะไรก็ตาม ก็จะอธิฐานไม่มีอธิฐานเพื่อพระองค์อธิฐานเพื่อสัตว์ตวโลกทั้งหลายว่าขอให้ข้าพเจ้าได้จัรสรูปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายหน้าขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความดับสนิทจากสังสารทุกเถิดนี่คือคือปณิธานที่สืบต่อผ่านพบชาติมาอนเนกนั่นนั้นแล้วก็พอจัดสรุปขึ้นจริงๆซึ่งโครงสร้างของการจัดสรุปเนี่ย ที่เราสวนสรรเสริญพระพุทธคุณโดยบทธรรมะเช้าที่ว่าพุทโธสุสุโธการุณามันนโวเนี่ยแปลว่าพระเจ้าเป็นผู้ศัสรู้สุสุโธก็บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายการุณามันนโวก็ทรงมีความกรุณานดุดพ่วงมหนันกโนภอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกนี้เกิดพลึบออกไปเลยจากพระปัญญาที่สมบูรณ จากพระมหากรุณาที่สมบูรณ์จากความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์เนี่ยก็ไม่เป็นเอเย่หยุดชะ ง, งักอย่างนั้นหรอกแต่ว่าคือไม่ใช่ตัดสินพระไทยจะเลิกสอนเพียงแต่ว่าถ้าจะสอนเอาให้บรรลุมรคนหมดเนี่ยมันจะเหนื่อยเปล่าจะไม่ได้ประโยชน์ แล้วก็ทําให้ข้อความตรงนี้คล้ายๆข้อความตรงในตรงหนึ่งมันขัดมันขาดไปขาดไปว่าทําไมไปไปเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าพระองค์สมบูรณ์ด้วยประคุณแล้วเนี่ยข้อความตรงนี้ในในพระบาลีเองนะในมหาวัคค์แห่งพระวินยัยปิฎ ก, กข้อความพูดในลักษณะนั้นว่าทําให้พระพุทธเจ้าทรงขวรขวายน้อยที่จะ ไม่น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมเดี๋ยวท่านก็อธิบายนะฮะ บ, บอกว่าความตรึกอันนี้ความตรึกนี้อันพระพุทธเจ้าทั้งปวงเคยประพฤติกันมาถึงอาการคือความไม่ประสงค์จ ะ, ะแสดงธรรมกับชนเหล่าอื่นก็ก็อะไรก็ก็มีข้ออ้างอิงอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งว่าใครบางคนอ้าง ราฐาจารย์อ้างหรือว่าคนรุ่นหลังเขาอ้างจริงก็ค่อนข้างขัดแย้งนะฮะขัดแย้งกับพระมหากุณาธิคุณแต่ว่าเราก็เชื่อถือกันมาอย่างนั้นแล้วก็ศึกษาเราเรียนกันมาอย่างนั้นตำหนักตำมาก็บอกอย่างนั้นแต่อย่าลืมประเด็นประเด็นธรรมะที่ยกขึ้นมาพิจารณานั้นเอาประเด็นของปฏิจจสมุปบาท ก็คือเอาประเด็นของอริยสัจสี่ในระดับที่สมบูรณ์เรียกว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ที่สมบูรณ์ถึงโดยโครงสร้างของมนุษย์โลกเราแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไปได้ยากเพราะงั้นก็ทำให้ยับยั้งพระไทยแล้วก็พอดีเนี่ยคือท่านสามพดีพรมก็เข้ามาในจังหวะพอดี เข้ามาในจังหวะจังหวะที่ทรงทรงยับยั้งอยู่ทรงนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่สงสัยนะฮะพระพุทธเจ้าไม่มีความสงสัยเพียงแต่ว่าก็จะปรับปรับวิธีที่จะเผยแผ่ธรรมะตัวดีวก็พรมเข้ามาแทรกจังหวะนั้นพอดีและทำให้ข้อความบางตอนเนี่ยคล้ากๆจะขาดไป พ, พระพุทธเจ้ายังยังยังไม่ได้หยุดนะฮะยังไม่ได้หยุดยังไม่ได้คิดว่าจะไม่สอนธรรมะแล้วเพียงแต่พิจารณาเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ได้มองในมุมอื่นพอดีท่านสามบดีพรมก็มาเฝ้าพรพระพุทธเจ้า ก็บอกว่าถ้าสมดีพรมทราบ ป, ปริตตกแข่งจิตของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วทรงรำพึงว่าชาวเราผู้โลกผู้เจริญโลกสิ้หายหนอโลกจยากวินาศเนอเพราะประตากดอรหันทสมมาสมทาุทัเจ้าส่งน้อมพระทัยไปเพื่อความกวนขวายน้อยไม่ส่งน้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลาดั บ, บนั้นท่านก็ชวนเทวดาชั้นจารุมาราชไม่ใช่ ชั้นดาวชั้นกลามาวจารนะฮะชักรมาวจรทั้งหกองนะฮะมีเท้าสกะเทา้กากะตุมาราเท้าสกะเท้าสุยามอะไรอะไรนี่ก็มามาควาบพระพุทธเจ้าที่ต้นส่เชื่อเจ้าในโครดถึงก็ตามเรื่องก็ดำเนินมาในลักษณะอย่างนั้นถึงจะเห็นได้ว่า มันอาจจะเป็นเรื่องเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่พระบราณอาจารย์ท่านบันทึกเอาไว้ว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างพุทธกับพราหม์แล้วก็พราหมณ์เองก็จำนวนตัวหมาพรมเองก็ต้องมากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ประกาศธรรมนะฮะเพราะว่าธรรมของพรามนั่นที่จริงก็ก็เลวไหลนะซึ่งข้อความในพระไตรปิฎกก็ปรากฏในช่วงหลังเป็นอย่างนั้นต้องฟังทั้งหลาย ใต้ร่มระโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี